พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตรัสสัมมาสัมพโพธิญาณก็เพราะทรงประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้และเป็นธรรมมีโพมันลุ่มลึกเป็นธรรมชั้นสูงเป็นธรรมชั้นสูงฉะนั้นจึงได้นามว่าโพชงก็คือว่าธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้มีอยู่เจ็ดประการคือหนึ่งสติสัมโพชงคือความระลึกได้นะ สธรรมวิจยะสัมโพธชงความสอดส่องธรรมข้อสามอุริยะสัมโพธชงคือความเพียรข้อสี่ปิติสัมโพธชงความอิ่มใจข้อห้าปัจจติสำโพธชงความสงบใจจากอารมณ์ข้อหสมาธิสัมโพธชงความตั้งใจมั่นข้อเจ็ด อุเบขาสัมโพชฌงค์ความวางเฉยคือเรียกตามประเภทว่าสติสัมโพชฌงค์ไปโดยลําดับจนถึงอุเบขาสัมโพชฌงค์แต่ว่าบางทีเราก็เรียกกันสั้นๆว่าโพชฌงค์เจ็ดก็มีสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัจจทิสมาธิอุเบขาอย่างนี้ก็ก็มีนะเพื่อเรียกสั้นๆง่ายๆดี ฉน้นในความหมายของแต่ละข้อนะพระชงเจตประการนั้นแต่ละประการก็มีความสุขุมลุ่มลึกไปแต่ละข้อลนะข้อยังข้อสติว่าความลุลึกได้นะข้อหึว่าความระลึกได้ความรุลึกได้ก็คือความรอบครอบความเฉลียวฉลาดนะหรือว่าความเฉลียวใจซึ่งคู่กับปัญญานะความ ที่ว่าคู่กับปัญญาก็หมายความฉลาดอันสามารถที่เป็นเครื่องรักษาให้พ้นจากวิบัติและวัฒนาการสูงขึ้นไปถึงความพิจารณาตั้งหน้าสู้อารมณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าด้วยอํานาจความรู้เท่าเหล่านั้นเรียกว่าสตินะเรียกว่าสติสามพุทธชงสตินั้นถ้ามั่นคงเป็นหลักเป็นฐานก็เพิ่มชื่อเรียกว่าสติปัฏฐาน ก็คือว่ามีสติเป็นที่ตั้งเป็นประานสติปัฏฐานนั้นตามลักษณะของตนก็เป็นอย่างเดียวและก็คงชื่ออยู่เพียงนั้นถ้ากล่าวตามอารมณ์ก็คือสิ่งที่เป็นคู่อันมีอยู่สี่อย่างคือรูปในที่นี้ก็เรียกว่ากายนะรูปในที่นี้ก็เรียกว่ากายความรู้สึกด้วยอำนาจมากระทบไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าเวทนา ความคิดต่างๆไม่เลือกว่าอย่างไรก็เรียกว่าจิตเนื้อความที่รู้ได้ด้วยความคิดไม่เรียกว่าธรรมะเช่นนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าธรรมะเช่นนี้แลว้ก ว, รรนนแลวก็มีสี่ประการได้โวหารเพิ่มขึ้นตามอารมว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐาน ทำมานุปัจนาสติปัฏฐานนี่เป็นการบัญญัติชื่อให้จำสมมุติได้ซึ่งเป็นวิธีสำหรับอธิบายให้เข้าใจในเชิงปริยัตส่วนการปฏิบัินั้นอยู่ที่พิจารณาด้วยน้ำใจที่รู้เท่าอารมณ์นั้นอันปรากฏอยู่ทุกขณะไม่ละเว้นไม่พลังเผลอก็อารมณ์ทั้งสี่นั้นแต่ละอย่างล้วนมีอาการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเหมือนกันหมดอย่างนี้นะทั้งคนสัตว์สิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนทั้งส่วนที่ชอบใจและไม่ชอบใจนะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้ว่าส่วนที่ชอบใจนั้นอยากให้คงอยู่นานๆหรือไม่ชอบใจก็อยากให้อันตรทานหายไปเสียโดยเร็วนี่ก็เป็นธรรมดาของอารมณ์ การพิจารณาก็คือพิจารณาดูอาการของอารมณ์นั้นด้วยรู้เท่าคือรู้ชนิดของอารมณ์ว่าสัญชาติเป็นอย่างนี้นะส่วนที่ดีน่าชอบใจแม้จะให้คงอยู่หรือไม่อยากก็เกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเองอนะถึงเราจะอยากให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมไม่อยากให้มันเะสื่อมมันก็เสื่อมแม้ส่วนที่ไม่ดีที่ไม่น่าปรารถนาถึงจะให้เห็นอย่างไรก็เกิดขึ้น นะก็เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปถึงไมอยากเห็นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปมันก็เหมือนกันมีสัญชาตญาณเป็นอย่างนีนะ้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าการที่เราได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงจะด้วยกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็แล้วแตอ่อันนี้แหละจัดว่าเป็นสิตติ ป, ปัฏฐาน คือความรู้มีสติเป็นที่ตั้งเป็นประธานเป็นที่ตั้งเป็นประธานการที่รู้ เ, เห็นชนิดของอารมณ์ที่เป็นไปอย่างนั้นก็ย่อมเลิกความทยานในส่วนที่ชอบเสียได้ทั้งไม่เสียใจเพราะจะจวกส่วนที่ไม่ชอบหรือส่วนที่ชอบก็กลับกลายไปจึงไม่ต้องมีความโศกเศร้าหรือวความแห้งแรงใจหรือวความเสียใจความตรอมใจ อ, อันจะเป็นเหตุให ร่งให้ด้วยกิยาการต่างๆความรู้สึกที่เป็นทุกทางกายหรือทางใจก็อจึงหายไปไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องให้คุณคล่องขัดเครืองจิตจึงเป็นเหตุให้รู้ล่วงถึงมรรคผลตรัสรู้นิพพานเพราะเหตุนั้น่สติจึงสติปัฏฐานจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายนะเพื่อเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีสติอย่างมั่นคงอย่างนี้ โดยพิจารณาถึง อ, อ, อความจริงหรือว่าความถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นโรคแล้วก็เป็นนามเมื่อเราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอไม่จีรังยั่งยืนนะไม่จีรังยังย่ง ย, งยืนเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจะได้ชื่อว่าอเราได้เจริญสติปัฏฐานนั่นเองะฉะนั้นคําว่าสติปัฏฐานอหรือในข้อว่าสติสัมโพชฌงก็ มีกล่าวเพียงย่อๆนั่งกล่าวมา น, นี้ทีนี้ในข้อสองที่บอกว่าธรรมวิจยะสัมโพธชงคือการที่บุคคลจะปฏิบัติทำใดก็เลือกเฟ้นทำนั้นก่อนหมายความว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีหลายประการนะมีหลายประการแต่ว่าเราต้องเลือกนะต้องเลือกปฏิบัตินะที่มันเหมาะสม กับกาลเทศะกับภูมิประเทศกับฐานะของเรารในธรรมลองนี้เราจะต้องเลือกเฟ้นก่อนแล้วจึงผ่อนผันถือให้เหมาะสมกับกาลเทศะภูมิฐานะหรือว่าสภาวะของตนนะเหมือนคนจะกินยานะก็หาที่มีสรพคุณอันบังควรแก่โรคนั้นๆ น, น, นะเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะคือเลือกเฟ้นธรรมเป็นอุปการะแก่สัมมาปฏิบัต คือความปฏิบัติชอบดุดการเลือกประกอบอดุดการเลือกประกอบยาวิจารณ์อันละเอียดคือใช้ปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดให้ถูกต้องกับโรคแล้วจึงวางยาย่อมเป็นประโยชน์แก่การรักษาด้วยว่ายาขนาดหนึ่งหนึ่งก็ย่อมจะมีคุณบำบัดโรคได้เต็มกำลังแต่เมื่อไม่ใขรทวนเห็นแต่ความเป็นยาก็ถือเอาหรือไม่เข้าใจในวิธีการใช้น้ากระสาย โรคก็จะไม่หายได้นะหรือว่าหายช้าก็จะโทษยาก็ไม่ได้ใช้ยาผิดต่างหากข้อนี้ฉันใดแม้การเลือกฟันทาก็ฉันนั้นอันการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปโดยที่ชอบนั้นจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัติต้องอาศัยธรรมวิจยะนะจึงจะทะลุโปร่ปรงนะเห็นผลแห่งการปฏิบัติได้ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการไม่แยกคลายกลับให ช่องแก่พวกปัญหามานาทิฏฐินะนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมก็กับเรื่องการแพทย์ให้ยาหรือวางยากับคนไข้ก็เหมือนกันเราจะต้องเลือกไว้โรคอย่างนีงนน้ต้องใช้ยาอย่างนี้นนะโรคอย่างนั้นต้องใช้ยาอย่างนั้นนะโรคอย่างโน้นก็ใช้ยาอย่างโ น, น้นนะคือยาบางขนาด น, นี้มันก็แก้ได้เป็นโรคๆแต่ว่ายาบางอย่างนั้นมันก็แก้ได้ หลายลรอบคลุมๆไปนะแก้ได้กว้างแบบว่าร้อยแปดนะธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันนะบางอย่างก็เหมาะกับคนมีนิสัยอย่างนี้บางอย่างก็เหมาะกับคนนั้นบางอย่างก็เหมาะกับคนนี้บางอย่างก็เหมาะกับคนนี้แต่ไม่ถูกกาละมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะบางอย่างถูกกาละนะแต่ว่าไม่ถูกกับบุคคลมันก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจะต้องพรอมกันถึงกาละเทศะสภาวะของตน นั้นจึงต้องเลือกใช้ธรรมที่มันมีอุปการะมากแก่สัมมาปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่เลือกใช้ธรรมแน่นอนที่สุดการปฏิบัติธรรมของเราก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์ได้นะจะไม่เป็นประโยชน์ได้อย่างก็เช่นที่คนเขาจเจริญสมาธิหรือจเจริญสมสถะวิปัสนนาบางคนก็มีปัญหามาเถียงกันอว่าบางคนก็ใช้ยุบหนอพองหนอบางคนก็ใช้ <c oughs> พุโทโธพุโทโธ บางคนก็ใช้คำว่าสัมมาอารหังหรือบางคนก็ให้ใช้อรหังบ้างก็มีนะบางคนก็เคลื่อนไหวรู้ดับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของคนเรานะความถนัดมันเหมาะอุปริสัยของคนเราอย่างไหนก็เอาเถอะแต่ว่าเราไม่เข้าใจเราก็เอามาถกเถียงกันนะว่ายุกน้อพรองน้องไม่เป็นกรรมฐานบ้างนะพุโทโธพุโทโธไม่เป็นกรรมฐานบ้างสัมมาอารหังไม่เป็นกรรมฐานบ้างนะ ที่จริงแล้วมันเป็นทางนั้นแหละอันนั้นมันเป็นเครื่องอนวงเหนียวทําให้จิตใจเรายึดมั่นถือทําให้จิตใจเราอสงบหรือระงับได้เรียกว่าเป็นเครื่องทําให้จิตใจของเรานั้นรวบรวมอเป็นมีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าตัวสมาธิอืะฉะนั้นบางคนจึงไม่เหมาะไม่เหมาะกับบางอย่างนะแต่อีกบางอย่างก็ไม่เหมาะกับบุคคลฉะนั้นเราก็เลือกเอาเราว่าสมาทังไม่ ใจไม่สงบเราก็เปลี่ยนไปพุทโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทร เ, เราว่าพุทโทไม่สงบเราก็ว่ายุบเนอปองเนอเราว่ายุบเนอไม่สงบเราอาจจะเคลื่อนไหวรู้ดับ อ, อารมณ์ของกรรมฐานเราก็มีทั้งสนะี่สิบมีทั้งสี่สิบอย่างก็เลือกเอาสิอมันอันไหนมันเหมาะกับมิตสัยของเราเราก็เลือกเอานี่นหะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราต้องเลือกต้องเ้นจากนั้นนี่แหจึงได้ชื่อว่าธรรมวิจยะนะควรจะสอดส่องธรรมพิจารณาธรรมโดยท่องแท้นะ ที่นี้ที่แท้จริงบรรดาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตัดไว้แล้วก็ล้วนแต่เป็นเหตุมีเดชและมีอนุภาพให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัตินะพอแก่ความที่จะหมดจดจากกิเลสตัณหาได้ตามผลแห่งการปฏิบัติของตนของตนพอเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์ให้ถึงความเกษมสุขได้พอเป็น าฐานที่ตั้งแห่งความสมนับและความยินดีความพอใจแต่ถ้าผู้ปฏิบัติขาดท ร, รมัจุยะไม่ไตรตรองให้ท่องแท้ก็ถือเอาทั้งที่ยังไม่เข้าใจในเหตุในผลหรื อ, อถือไปอยามอื่นอันฝ่าฝืนความประสงค์เดิมที่ท่านแสดงไว้โดยหมายผลไว้อย่างไรหรือเหตุการณ์ไว้อย่างไรเราก็อาจจะผิดพลาดได้นะผิดพลาดได้ ในความผิดพลาดนั่นแหละก็อาจจะเกิดทุกข์เกิดโทษนะเป็นการที่ขัดเคืองหรือซ้ำต้องเกิดความคัดค้านก่อความรำคาญให้เกิดขึ้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้ขั้นเราจะการทำต่อไปก็อจะกำหนดอะไรให้เป็นแน่นอนไม่ได้อืในที่สุดความคิดความเข้าใจที่หมายว่าถูกต้องหรือเห็นชอบก็จะกลับอกลายเป็นผิดไปนะเสียประโยชน์ไปไม่สำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติอาจะยกเป็นข้อติดขัดหรือโทษธรรม ะ, รมะก็ไม่ได้ ต้องอาศัยธรรมวิจยะเป็นจะพอดีนะอันพ่อยคำมีระเบียบเรียบร้อยเป็นอัตถกถาหรือว่าจารึกด้วยอักษรเป็นวัคเป็นตอนแม้ท่อนหนึ่งท่อนใดก็ย่อมมีอธิบายหมายถึงซึ่งคงอยู่ในที่นั้นสำเร็จเป็นอัตถสาทกรอแต่ก็ก็อาจจะยกสาธยายไปในที่อื่นๆนะก็ย่อมจะได้ความไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอารมตามในความเดิมบ้าง แยกกันบ้างอันนี้มันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาฉะนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายจงมันพิจารณามันพิจารณาใช้ธรรมวิจยะสอดส่องสอดส่องธรรมที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกส่วนสัตว์สมควรแก่ธรรมที่เรียกว่าธรร ม, มานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ แก่ทํารมนะสมควรแก่ทําก็คือสมควรแก่ฐานะสมควรแก่โอกาสสมควรแก่กาละซึ่งเป็นข้อสําคัญในทางพระพุทธศาสนาอะไรถ้ามันตึงเกินไปมันก็ให้โทษถ้ามันหย่อนเกินไปมันก็ให้โทษนะมันก็ให้โทษได้ฉะนั้นการเจริญอรุปรภาวนาก็เพื่อบรรเทาพวกความยินดีนะความ กินดีในราคะความเพลิดเพลินในราคะจึงอันจะกำเริบขึ้นด้วยอำนาจสุภสสัญญาแต่ครั้งจเจริญแล้วก็กลับเบื่อหน่ายนึกแนหนงหน่ายในร่างกายก็จะทำลายอัตภาพของตนเสียเช่นนี้ไม่ชื่อว่าปฏิบัติสมควรแกีรตธรรมก็ยังมีในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีพระเถระเป็นจำนวนมากนะเข้าไปปฏิบัติธรรมปรากฏว่าเมื่อในขณะที่จเจริญธรรมนั้นก็ได้เห็น ความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดเป็นรังแห่งโรคก็เกิดความเบื่อหน่ายก็มีการฆ่ากันนะมีการฆ่ากันนะไม่อยากจะอยู่แล้วน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินสังขารนี่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่แหละฉะนั้นอย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ขาดทำรรมุจยะณ์ขาดทำมุจญาณ์ก็จะไม่สําเร็จประโยชน์แห่งการปฏิบัติจนไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรม ที่กล่าวไว้โดยชอบเป็นธรร ม, มานุวัตก็จะกล่าวก็สามารถที่จะให้บรรลุเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติได้นัฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าหากว่าเรามีธรรมวิจยะแล้วก็จะทําให้การประพฤติได้ถูกมากผิจลั้งน้อยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัมโพธชงประการหนึ่งชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพธชงเป็นประการที่สอมาในข้อที่สามวิยะสัมโพธชงก็คือความ เป็นผู้กล้าหาญประกอบการแล้วกอบการปฏิบัติด้วยกายและใจไม่ท้อแท้นะเรียกว่าวิริยะคือความเพียรน่นะคือความเพียรอันธรรมดาของความเพียรย่อมสามารถทําให้ให้กิจที่ทําคําที่พูดนั้นสําเร็จรุ่วเงไปได้โดยดีถึงกิจใหญ่โตก็กลายเป็นกิจเล็กนะถึงกิจเล็กก็ทําให้กลายเป็นของที่ง่ายนะไอของยากก็กลายเป็นของง่ายนะ่ะ ส่วนที่รู้สึกเป็นหนักก็กลายเป็นเบานะคล่องนะนะเรียกว่าคล่องไม่หนักใจอนะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับความเพียรความเพียรนี่ก็มีความหมายในหลายๆลักษณะความเพียรนี่แปลว่าความกล้านะความแก้วกล้ า, วาความอดฐานความองอาจนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าจึงตรัสไว้ว่าวิเดเยนทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะหรือว่าอุทษาตาวินเตเตธนัง คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้หรือในหัวใจของเต๋าถีก็จัดว่าอุดฐันอุดฐานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันออันนี้แสดงว่าความเพียร น, นี่เราคือตัวขยันขยันทําในกิจของตอนนั้นๆให้สําเร็จรู้่วมไปด้วยดีความขยันนี่เราจะต้องทําเป็นไปให้ติดต่อกันนทําเป็นไปให้ติดต่อกันประโยชน์จึงจะเกิดได้แต่ถ้าเราทําหยุดหยุดกันไม่ติดต่อนะทําไปวันหนึ่ง ชั่วโมงสองชั่วโมงก็หยุดไปช่วงนี้ก็ไปทำใหม่อาทิตย์หน้าไปทำใหม่อย่างนี้แน่นอนที่สุดไม่มีโอกาสสำเร็จได้นะไม่มีโอกาสสำเร็จได้ถ้าพูดถึงความเพียรในต้นต้นแบบโลกโลกหรือว่าแบบชาวบ้านก็เช่นว่าเราเพียรกระยันทำนาทำไร่ทำสวนนะมันตรวจตราดูนะในสิ่งที่เราทำนั้นมันมีอะไรยังขาดตกบกพร่องหรือว่า เราดูว่าเราทำนาทำไร่ทำสวนนั้นมันมีข้อเสียอะไรน้ำมากไปไหมน้ำน้อยไปไหมมันมียากขึ้นมากไหมมันมีโรคอะไรมันมีภริอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจดูต้องไปบ่อยๆต้องมันได้ยากนะประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นอนะประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นจึงบอกว่าคนถ้าเรามีความเพียรแล้ว แ, แน่นอนที่สุดในการงานที่ใหญ่โตก็รู้ ร, รู้สึกไม่หนักใจนะ รู้สึกไม่หนักใจเพราะอะไรก็เพราะเรามีความเปลี่ยนมีความอดหานไม่กลัวไม่อ้างว่าเหนื่อยออกจะตายไปยังร้อนออกจะตายไปเย็นออกจะตายไปอะไรทํานองนี้นะก็จะทาให้เรานั้นทําอะไรสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างถึงอย่างนั้นความเปลี่ยนก็ยังสามารถทําให้คิดนั้นนั้นสําเร็จดูวล่วงไปได้โดยดีเพราะทําบุคคลให้มีความเข้มแข็ ง, ขงไม่ท้อแท้อไม่ย่นย่อท้อถอย แม้จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็อาจพัชนกเวทนาไม่กระสับกระสายจนเสียสติอารมณ์ทำให้เกิดความเจ็บปวดครอบงอาคงจะทำกรรมฐานประกอบการงานในจิตใจให้เต็มที่อย่างนี้เรียกว่าวุเิยะสำพโยชงเป็นประการที่สามนะเป็นประการที่สา ม, ป ร, ารสามประการที่สี่ก็คือปีติสัพโพชงหมายถึงความอิ่มใจนะความอิ่มใจนี่ซึงเป็นเหตุให้บุคคล มีความอิ่มเอิบอับตลอดไปทั้งในกายและจิตเรียกว่าปีติเป็นกําลังในการทํากิจต่างๆการจะทําอะไรนั้นต้องอาศัยเรี่ยวแรงต้องอาศัยเรี่ยวแรงกายอาศัยเรี่ยวแรงใจอาศัยเรี่ยวแรงใจจึงจะทําได้ไม่เช่นนั้นก็อาจจะอดหรือปอนเพลียทําไม่ได้ที่สุดเพียงแต่คิดก็ยังทําให้กําลังใจของเรานั้นเกิดความเบื่อหน่ายนเกิดความท้อถอยเกิดความท้อแท้ นะการปฏิบัติธรรมก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงต้องอาศัยกำลังกายกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดความที่จิตเกิดความหดผเดนะูเกิดความอ่อนแอขึ้นนะเกิดความมนแอขึ้นเพราะว่าธรรมนาจิตใจของเรานั้นมักจะคิดในสิ่งที่ง่ายๆก็คือว่าทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ง่ายๆท่านเปรียบว่าจิตของเรานี้มันเหมือนกับ น้ำย่อมไหลลงในที่ต่ำนะ่ะย่อมไหลลงในที่ต่ําจิตใจของคนเราก็เหมือนกันย่อมจะไหลไปในที่ต่ําทางนั้นนะไหลไปในที่ต่ําทางนั้นไม่ค่อยคิดสูงฉะนั้นจิตของคุณเราจะคิดสูงได้นั้นก็จะต้องฝืนจิตฝืนใจนะฝืนจิตฝืนใจทวนกระแสะโลกนะอย่าไปหลงไหลไปฝันในเมื่อตาเห็นรูคภูฟังเสียงจมกูกรวมกันเล้นเล็งลดกายถูกต้องสัมผัสใจนะึกคิดในอารมณ์ต่างๆนี่เราจะต้องไม่หลงต้องฝืนอ ท่า น, นยังเปลียบไว้ว่าให้ปลาที่ว่ายตามน้ำนั่นคือปลาตายปลาที่ว่ายทวนน้ำนั่นคือปลาเป็นจิตของคนเราเหมือนกันถ้ารู้จักฝืนกระแสโลกฝืนกระแสความปรารถนานั่นแหละคือคนเป็นไอคนที่คิดอะไรตามใจตัวเองทําอะไรตามใจตัวเองนั่นแหละคือคนตายคือคนประมาทนั่นเองคนประมาทก็เหมือนกับคนตายแลยนะ้วนคนไม่ประมาทคนมีสติก็คือคนที่ฝืนใจโลกรู้จักหักห้ามกระแส แห่งความโลภจะเข้ามาครอบงาจิตใจคนอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นคนเป็นนะเป็นคนเป็นฉะนั้นให้เราทุกคนนั้นมีความอิ่มใจนะเกิดความอิ่มใจให้ความอิ่มใจนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะสำคัญยังไงคนเราถ้าหากว่าปฏิบัติทําได้ถึงที่แล้วมันก็เกิดความอิ่มใจนะเกิดความอิ่มใจได้เมื่อเกิดความอิ่มใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขกายสบายใจนะ แพรสร้างไปยังกายทําให้จิตใจเต็มอิ่มนะเกิดความยินดีนะอย่างนี้แหละคิดว่าปีติสัมพูดชงนะเรียกว่าปีติสัมพูดชงดฉะนั้นแน่นอนที่สุดถ้าหากว่าเรายังไม่มีปีติสามโพูดชงนะก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปีติสัมโพูดชงก็จะทําจิตใจให้ไม่หดผูนะไม่ให้ท้อถอยนะไม่ให้ท้อถอยก็มีความ ทราบซึ่งแห่งการปฏิบัติทำอยู่ตลอดเวลานะอย่างนี้จะชื่อว่าปีติสัมพุธชงเป็นประการที่สี่ประการที่ห้าปัสสัธิสัมโพุธชงหมายถึงว่าความที่นามากายและจิตปิญญาอ่าส่างๆนั้นเกิดสงบนะเกิดความสงบไม่ฟุง้งซ่านเรียกว่าปัจสัธิอาคนข้อนี้จําเป็นต้องบำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีในตนเพราะว่าการงานที่บุคคลทําไปในกายก็ดีในใจก็ดีก็จะเป็นกิจที่น่าสรรเสริญเพราะว่า น้ำเปรียบมันน้ำใสนะใจก็สงบนะใจมันก็สงบแต่การที่จะทําให้ใจสงบนั้นไม่ใช่ทาง่ายๆนะทํายากเพราะว่าธรรมดาของใจนั้นย่อมมีความฟุ้งซ่านหรือว่ามีความกําเริบเสศสานทําให้เกิดเหตุนั้นๆอไม่ตรรบให้เกิดความสงบอย่างสม่ําเสมอนะฉะนั้นผู้หวังความสงบ ก, ก็จำต้องประกอบเหตุก็คือความปราบจิตหรือข่มจิตเหมือนกับการเหมือนกับที่ บุคคลเรากําลังปราบพวกอาทารกหรือเด็กที่กําลังสนนะถ้าพูดปกครองหวังผลก็คือความเรียบร้อยความสงบก็ปราบปรามด้วยวิธีขู่ในโดยอาการต่างๆหาไม่ก็จะทําให้เด็กนั้นคนองมากไปนะแน่ใจก็เหมือนกันถึงคราวขมก็ต้องขมให้พอดีนะไม่เช่นนั้นก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่านกําเริบเสิดสารหนักยิ่งขึ้นอนะไม่จัถานาจะทําให้ความดีนั้นๆให้ให้ดียิ่งขึ้นไปนะจิตใจที่พฟุ้งซ่านนั่นก็เพราะอารมณ์ที่อนะ มาก่อกวนจิตใจของเราอันมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะอันนี้ไม่ดีฉะนั้นเราก็จะต้องเจริญพวกอาณาปานสตินะก็ย่อมจะให้เกิดประโยชน์ได้พิจารณากําหนดลมหายใจเข้าออกก็จะทําให้ใจนั้นเกิดความสงบนะเกิดความไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านแน่นอนที่สุดก็สามารถที่จะปราบนะจะปราบใจที่ปรพยชน์ได้นะทําให้ใจนั้นเกิดสงบอนะจากมิวรณูปกิเลส เมื่อใจสงบก็แน่นอนที่สุดนั่นแหละเป็นฐานของสมาธิอเป็นฐานของสมาธิเรียกว่าเป็นฐานของสมาธิก็คือความสงบหมายถึงว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นนั่นเองอคือตั้งใจมั่นนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราสงบจากสมาธิหรือว่าปัด จ, จัตถีความสงบใจอจากอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเราอเราก็จะทําให้จิตใจของเรานั้น เป็นความผ่องใสนะเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่ า, าปัจสธิสัมโพธชงนะต่อไปในข้อที่หกก็คื อ, อสมาธิสัมโพธชงนะสมาธิสัมโพธชงก็คือความตั้งใจให้เป็นสม่ำเสมอด้วยอาการนั้นแน่วแน่เรียกว่าสมาธิอเป็นกําลังใหญ่ให้กิจที่ทําคำที่พูดนั้นสําเร็จได้การทําอะไรทั้งหมดต้องอาศัยความตั้งใจ เป็นสิ่งสําคัญนะถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจแน่นอนที่สุดไอ้ใจที่ไม่ตั้งมั่นนะมันก็ย่อมจะล้มง่ายโอนเอนง่ายนะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะใจที่มั่นคงนั้นมันควรแก่การงานควรแก่การปฏิบัติธรรมนะประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นมากนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าสมาธิพิกเวภาเวธาสมาหิโตยถาภูตังปชานาติว่าปีสูทั้งหลายจงพาการเจริญสมาธิเถิดนะเมื่อ พาการเจริญสมาธิจนจิตตั้งมั่นแล้วก็สามารถจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงได้แต่ถ้าหากว่าใจยังไม่ตั้งมัน่นะใจยังไม่เป็นสมาธินะก็อาจจะไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงนะแต่ว่าถ้าใจเป็นสมาธิก็อาจที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ผิดไม่แปลกไม่หลอกไม่หลอนนะก็จะเป็นปัจจัยเท่ากูลทําให้เรานั้นอ่าได้เกิดสติเกิดปัญญาสูงยิ่งยิ่งขึ้นอ่อันนี้แหละได้ชื่อว่าสมาธิสมโพธิ์ฌง เป็นข้อที่หกมาในข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงก็คือความเข้าไปเพ่งอเฉยอยู่ด้วยสติเรียกว่าอุเบกขานะนี่เป็นอุปการะาแก่การปฏิบัติธรรมประการหนึ่งนะเมื่อคราวต้องอาศัยไม่ว่ากิจการอะไรเมื่อเป็นไปเรียบร้อยดีแล้วก็ต้องนิ่งดูอไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องจัดไม่ต้องทําอยู่ร่าไปอต่อเมื่อมือเหตุที่จะแก้ไขในส่วนที่ขัดข้อง อ่าเราก็แก้ไขนะส่วนที่เราไม่แก้ไขเราก็นิ่งเฉยเสียนะย่อมมีประจําอยู่ในกิจนั้นัน้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอุเบกขาก็ยังมีอยู่ในโสมิหารและอยู่ในธรรมอีกหลายๆหมวดฉะนั้น เ, เรื่ององความวางเฉยนี้อก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นที่พูดมานี้ก็เกี่ยวกับเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโพดชงเจ็ดนะฉะนั้นในโพดชงเจ็ดประการนี้แต่และข้อก็มีอนุภาพอันไพศารอ่านะซึ่ง บรรยายมาก็ในกว้างฝวางนักพอเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษาได้นําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อใเป็นประโยชน์ในการอเรียนหรือว่าการตอบปัญหาได้นะฉะนั้นเมื่อจะพูดย่อๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าในธรรมเจตการเหล่านี้แม้เป็นธรรมูมงอันสุ ข, ขุมลุ่มลึกเป็นธรรมชั้นสูงต่อก็เป็นธรรมของอ ง, องค์ปามจรัสรู้ขององค์สมององเด็จสัจธรมมาสมุทิเจ้าเป็นธรรมควรแก่การประพฤติเฉพาะในทาง คดีทำเท่านั้นก็จริงดังนั้นในทางคดีโลกถ้าบุคคลรู้จักพรแผ่นประพฤติให้เหมาะสมกับการลเทสะก็อาจให้สําเร็จประโยชน์ตามความปรารถนาได้นตามความปรารถนาได้ดังนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอโพดชงเจตมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้จะได้บรรยายในหมวดที่แปด ในหมวดที่แปดในหัวข้อว่าโลกกระทำแปดอย่างคําว่าโลกกระทำแปดอย่างก็หมายถึงว่าธรรมที่มีประจําโลกธรรมที่ครอบงําสัดว์โลกอยู่แล้วก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นเรียกว่าโลกกระทำโลกกระทำแปดอย่างนั้นก็คือมีลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศ ม, มีนินทาก็มีการสรนเสริญนะ มีสุขก็ต้องมีทุกข์ในโลกก็ทำแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็พิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วอก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมไปได้นะอย่าให้มันครอบงำจิตใจได้อย่ายินดีในส่วนที่ปราถนาแล้วก็อย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปราถนา มิฉะนั้นก็จะทำให้เรานั้นเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความโศกเศร้าเกิดความร่ำไรขึ้นได้นะฉะนั้นเมื่อพูดถึงความหมายของคำว่าโลกธรรมก็แปลว่าธรรมสำหรับชาวโลกสำหรับชาวโลกกล่าวคือทําทั้งแดอย่างนี้มีลาภไม่มีลาภมียศไม่มียศมีนินทามีสันเสริญมีสุขมีทุกข์เหล่านี้มีประจําโลกนะอัน คนทุกๆคนเกิดมาในโลกแล้วจำต้องได้ประสบจำต้องได้พบนะจำต้องได้เห็นทั้งในส่วนดีทั้งในส่วนชั่วทั้งในส่วนที่ไม่น่าปรารถนานะไม่มีใครที่จะไม่ประสบนะไม่มีใครที่จะไม่ประสบเพราะว่ า, าทำเหล่านี้ก็เรียบเสมือนว่าเรานี้แล่นเรือไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลจำจะต้องประสบกับคลื่นลมบ้างนะไม่ถูกบ้าง หรือเหมือนกับคนเดินทางไปในที่ไกลนะก็ย่อมจะได้พบสิ่งต่างๆในระหว่างทางไอ้สิ่งต่างๆนั้นก็อาจจะน่าดูน่าชมบ้านะน่าเรียนรู้น่าศึกษาบางอย่างก็ไม่น่าเรียนรู้ไม่น่าศึกษานะเพราะอย่างนี้โลกธรรมทำแปดอย่างนี้จึงเรียนาะมว่าโลกธรรมนะฉะนั้นผู้ศึกษาก็จึงต้องทราบความเป็นจริงว่าโลกธรรมนั้นมันไม่เที่ยงนะคือมันไม่แน่ไอ้คาว่าไม่เที่ยงก็คือมัน มันไม่เป็นอยู่อย่างนั้นเสมอไปนะเช่นว่าเรามีลาบลาบนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดอยู่กับเราเสมอไปนะเรามียศก็ไม่ใช่ว่ายศนั้นจะต้องมีอยู่กับเราเสมอไปนะเรามีนินทาให้ความนินทานั้นมันก็ไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปเรามีสุขไอ้สุขนั้นมันก็ไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปคือมันกลับกลอกได้มันเปลี่ยนแปลงได้มีลาบได้ก็เสื่อมลาบได้มียศได้ก็เสื่อมยศได้นะ มีสันเสริญก็มีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์มันเป็นของคู่กันและถึงท้าทุกข์เราก็อย่าไปตีโพตีพายว่าทําไมเราจึงต้องทุกข์อยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้อยู่ตลอดจากนั้นทั้งชีวิตนะ เ, เดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์เนะี่ยเพราะไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นอจากเหตุการณ์ต่างๆนะให้ความสุขทุกข์นี่มันเกิดขึ้นที่ใจเขาบอกว่าอันสุขทุกข์เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขหายทุกข์ใจอ จะเอาอย่างไรสุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ตัวเราเองนะฉะนั้นขอให้ให้เราคิดดูว่าไอ้สุขทุกข์ถ้ามันเกิดที่ใจของเราบางบางครั้งคนเราเนี่ยไม่ปรารถนาหรอกทุกข์แต่ว่าทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ปรารถนาแต่ก็ทําตัวเองให้เป็นทุกข์คิดไอ้สิ่งที่ไม่น่าคิดนะเรียกว่าทุกข์แบบหาสมุดฐานไม่ได้หาเหตุไม่ได้นี่แหละมันยังมีอวิชชาครอบงาอยู่นะเราจึงแก้ปัญหาชีวิตกันไม่ได้นะแล้วเราก็ มาบ่นกันบอกว่าแหมทุกข์เหลือเกินอะไรเหลือเกินอย่างเนี้ลำบากเหลือเกินตกจากเหลือเกินนะนี่เพราะเราไม่รู้จักเหตุนั่นเองนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดแต่เหตุแต่มันก็ย่อมดับลงด้วยเหตุนะย่อมดับลงด้วยเหตุฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนนะจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเพราะอะไรก็เพราะว่าเรารู้ปัญหาของโลกนะ เรารู้ปัญหาของโลกเพราะปัญหาของโลกนะั้นมันมีอยู่สองอย่างนะในส่วนที่เราปรารถนานะั้นมันก็เป็นอิทธารมนะเป็นอารมณ์ที่ชอบใจเป็นอารมณ์ที่น่ารักเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาอานิษฐารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาที่มันเป็นความทุกข์ใจนะเมื่อกล่าวโดยอาการแล้วก็เป็นสามอย่างก็คือว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาทำทั้งแปดอย่างนี้ขอให้เราทั้งหลาย จงรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาว่าคนมีเรามีลาบมีความสมบูรณ์สมศัดด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าหากว่าเราหลงหรือว่าเหลิงแน่นอนที่สุดเมื่อคราวที่เราไม่มีลาบเราก็จะเกิดทุกจะเกิดความเสียดายจะเกิดความเสียใจนะจะเกิดความเสียใจจะดำตุนำงนำพันว่าแม้เราเคย อุดมสมบูรณ์เคยมั่งมีสิสุขไปได้ลาภคนโน่นก็เอามาให้คนนี้ก็เอามาให้ประกอบกิจการอันใดก็จะเริญรุ่งเรืองนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทําอะไรมันมันคล่องขัดไปหมดเลยนะมันคล่องขัดไปหมดเพื่อนปูงก็หา่างหายไปหมดไม่เห็นมีเอาลาบเอาเครื่องสกสาระมาให้นี่อันนี้เขาเรียกว่าคนไม่รู้จักโลกกระทำนะคนไม่รู้จักโลกกระทำถ้าคนรู้จักโลกกระทำก็จะต้องพิจารณาว่า ออลาภที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะสักวันหนึ่งมันก็จะต้องหายไปนะมันจะก็หายไปนะและที่มันหายไปแล้วมันก็จะต้องกลับมาเกิดขึ้นกับเราอีกได้นะอันนี้มันไม่แน่หรอกนะบางอย่างมันก็เกิดเรียกว่ามันหายไปเพื่อได้มาเรียกว่าเสียไปเพื่อได้มานะอันนี้ก็มีเยอะนะตามหลักในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างมันก็หายไปเลย มันไม่มีอะไรจีรั ง, ย, งยั่งยืนะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่น่าจะต้องไปเสียอกเสียใจอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกธรรมนะเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้มันก็สบายใจเหมือนอย่างกับคนครอบครัวนหนึ่งเลี้ยงม้าไวนะ้เป็นที่ชอบอกชอบใจเพราะม้านั้นสวยงามมากใครเห็นก็ต้องตาต้องใจอ้วนท้วนดี อลูกก็ได้อาศัยขับขี่อยู่เป็นประจำนะเพราะมีมาที่ดีก็ปรากฏว่าวันหนึ่งมานั้นก็เกิดหายไปจากบ้านโอ้โหถ้ามาหายไปปรากฏว่าทุกคนในครอบครัวนั้นเสียอกเสียใจมากรำพึงรำพันเจดมเจยไดยออกติดตามอย่างไรก็ไม่ได้นะแต่ว่าหัวหน้าครอบครัวนั้นเป็นคนมีธรรมะบอกวอย่าไปเสียใจเลย มันเป็นของคู่การมือลาบก็ต้องเสื่อมลาบเนะีมีลาบก็เสื่อมลาบแต่ที่เราเสียไปนี้มันอาจจะได้อะไรมาดีกว่า น, นี้ก็ได้อาจจะได้มาดีกว่า น, นี้ก็ได้นะีบรรดาพวกภรรยาลูกหญิงลูกชายนั้นก็ไม่เข้าใจเน่ยก็อดคนเป็นการใหญ่แต่อีกประมาณสักไม่กี่เดือนปรากฏ ว, ว่าไอ้มาที่รักตัวสวยงามนั้นที่หายไปนั้นก็กลับเข้ามาในบ้าน แล้วไม่ได้กลับมาตัวเดียวก็พาเอาม้าต่างๆมาอีกทั้งสองสามตัวนี่เรียกว่าหายไปหนึ่งแต่ว่ากลับมาอีกสามสี่ตัวนี่มันกำไรอย่างยังมากเลยนะอีกอีกหลายเท่าตัวนี่เลจึงบอกว่าเราเสียไปก็เพื่อได้มาเสียไปเพื่อได้มาปรากฏว่าพอพอม้ากลับมาแล้วลกูกชายก็ดีใจแหมก็ขึ้นขับขึ้นขีเป็นการใหญ่เลยปรากฏว่าด้วยความ เหลิงใจดีใจก็พลัดตกมาจนกระทั่งอาขาเอาขาหักไปข้างหนึ่งนขาหักไปข้างหนึ่งโอ้โหเสียใจอีกแล้วเสียใจอย่างมากเลยทั้งเอพี่สาวน้องสาวทั้งแม่นีนเสียใจกันมากหัวหน้าครอบครัวบอกโอยไม่ต้องเสียใจหรอกไอ้ที่การที่ลูกชายเราเสียอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แกเราอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ปรากฏว่าอีกไม่นานทาง ประเทศชาติเขาก็ประกาศเอาทาหารอากองหนุนเข้าก็ปรากฏว่าลูกชายก็ได้รับการยกเว้นเพราะว่ า, าสุขภาพไม่ไม่ดีนี่มันก็เลยปลอดภัยกันทไปปรากฏว่าคนที่ได้ไปรับทับจับศุดนั้นก็มีการตายกันก็เยอะนะไม่ตายก็เยอะแม้รู้สึกว่าพวกภรรยาพีา่สาวน้องสาวรู้สึกดีอกชกใจเป็นการใหญ่เลยนี่แหละจึงบอกว่าคนไม่รู้จักโลกธรรมแล้วก็มักจะเกิดความ ลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวต่ําเดี๋ยวสูงเอเสียใจดีใจทุกใจเกิดผูใจอะอยู่อย่างนี้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราจึงจะต้องรู้เท่าทันเป็นสิ่งสําคัญเอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคู่กันก็คือว่ามีลาบก็ต้องเสริมลาบมียศเราได้ยศเราได้ตําแหน่งเราได้เลื่อนขั้นนแต่เราก็ต้องรู้ไว้สิ่งเหล่านี้มันก็หมดไปได้ ถ้าเราทำไม่ดีมันก็อาจจะถูกถอดยศลดตำแหน่งได้ลดได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องหายได้อันนี้มันเป็นสิ่งธรรมดาเป็นสิ่งธรรมดาของโลกของทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แน่นอนที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราที่เราบางครั้งก็มาบนกันแหมรู้สึกว่าเอาคนใช้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ มาอยู่ได้แค่ไม่กี่วันมันก็ขโ ม, มยเพชรทองหยองไปหมดเลยนาฬิกาบัางวิทยุบ้างเสื้อผ้าอภร์ต่างๆนาน า, น า, นาราคาเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ก็มีปรากฏตำหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอนี่แหละาบางคนก็ตีอกชกใจเศร้าโศกเสียใจว่าอุาสาสะสมมานานแต่ถ้าคนมีโลกธรรมอยู่ในใจก็จะต้องพิจารณาว่อาอ๋อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้นะมันก็ต้องหายได้เมื่อก่อนมันก็มาในนี้มาก่อน ไอ้ที่มันมีมาเพราะเราไปสั่งสมไว้ไปซื้อเอาไว้นะไปซื้อเอาไว้ไปรับตํานองรับตํานาเอาไวา้บ้างทีฉะนั้นเมื่อเราซื้อเอาไว้แน่นอนที่สุดเราไม่จากมันมันก็ต้องจากเรานะเนะีนะ่ยมันก็ต้องจากเราก็ปรากฏว่ามันก็จากเราไปนะเพราะคนใช้นั่นเองเราก็ต้องไปก็ Pedro, เอามันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดานะีนะ่อย่างนี้เราก็ไม่น่าไปเสียใจนะเราสร้างใหม่ก็ได้นะ อันนี้มันอยู่ที่ตัวเราไอ้ของจริงเรานี่มันของนอกกายมันอยู่ที่ตัวเราเราจะสร้างให้มันมีก็ได้เออจะไม่สร้างให้มันมีก็ได้นี่เอแต่ถ้าเรามีมากเราก็กังวลมากเป็นภาระแก่เรามากนะจะต้องคอยเราแวดคอยระวังไปไหนใครก็ทําให้เป็นห่วงเอนี่แหละมันเป็นปริพอดเป็นเครื่องกังวลใจนะปริพอดแปลว่าเครื่องกังวลใจทําให้เราไปไหนก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรไม่ค่อยได้เต็มที่เพราะเป็นห่วงว่า กลัวไอ้ทรัพย์สมบัติของเราจะสูญหายไปกลัวว่าใครจะมาตัดช่องหล่องเบาหรือว่าเอาไปให้เขากู้ออกดอกออกผลแล้วกลัวเขาว่าจะไม่ให้ตามนั้นวะทําทไมคนนั้นจึงไม่ให้ทําไมคนนี้จึงต้องโกงเราอะไรเนี่ยมันเป็นภาระทําให้เรานั้นกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้เข้าใจเรื่องโลกกระทำแล้วว่ามีลามันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมลาบหมดไปได้ มีทรัพย์สมบัติมันก็มีโอกาสที่จะอันตรธานหายไปได้นะทีนี้เรามียศ ด, ดีตําแหน่งนะงินดาววันเดือนขึ้นอแนะน่นอนที่สุดไอ้สิ่งนี้มันก็หมดได้อีกเหมือนกันนะอันนี้ก็มีเยอะอยู่แล้วนะที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้่ยนะ <c oughs> บางครั้งก็ขึ้นไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดแล้วในทางการเมืองอ้าวปรากฏว่าก็ถูกแต่การสอบสวนกันเกี่ยวกับเรื่องทุจริตต่อหน้าที่อ่าไล่ออกนี่ทอดออก อันนี้มันก็มีเยอะนี่แหละมันเป็นโลกกรรทำนะแต่ว่าคนเรานั้นรู้สึกว่าในแง่ปฏิบัติแล้วยากนะทาจิตใจยามักจะว่าเวลามีลาบมียศก็หลงหลงลาบหลงยศ ด, ดีอกดีใจปลุมอกปลุมใจนะพอลาบพอยศเสื่อมเสียไปก็เสียใจอีกแล้วกเกิดทุกข์เกิดกังวลซ้ําร้ายคนต่างๆก็ติดชินนินทาแต่ถ้าหากว่าคนทุกคนมารู้ว่านี่มันเป็นธรรมดานะมันก็ไม่มีอะไรที่ มาหนาต้องวิตกังวลเนะีวิตกังวลเราทําดีมันก็ต้องในดีเราทําชั่วมันก็ต้องในชั่วนะน่ะจำได้เกี่ยวนี้ทีนี้เรามีเรามีสรนเส ร, ริญ ม, มันก็ต้องมีนินทานะ่ะเรามีสันเส ร, ริญ ม, มันก็ต้องมีนินทา <c oughs> คนที่จะไม่ถูกคนนินทาในเห็นท่าตุย่านะ่ะไอ้การนินทากับสันเส ร, ริญมันเป็นของคู่กันนะ่ะไอ้คนเราบางครั้งใอ้คนนี้เราว่าดี แต่คนอาจจะไม่ว่าดีนะอาจจะนินทาก็ได้แต่อีกคนอาจจะสันเสริญก็ได้ในคนคนเดียวกันนี่มันมีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะฉะนั้นอันนี้แหละนักบัตในทางโลกท่านจังเขียตนไว้ว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้าเหมือนเอามีดมาตีหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินเป็นมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทานี่รู้สึกว่าจะยากนะ คนที่ไม่ถูกคนนินทาเลยเห็นท่าจะไม่มีนะไม่มีแน่แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ถือว่าเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงก็ยังมีคนนินทาว่ากล่าวใส่ร้ายต่างๆนาน า, น า, น า, นานเห็นไหมนี่จะนับภาษาอะไรกับพวกเราเนีนับภาษาอะไรกับพวกเรา ขนาดพระองค์นี่ถือว่าเป็นศาสนาเอกของโลกนละ้วนะรู้กันทั่วแล้วเอนะก็ยังมีคนนินทาว่าร้ายต่างๆดา่าด้วยสารพัดดา่าเนอะด่าสารพัดดา่าคิดฆ่าคิดอาฆาตพระเทวทัตแหมพยายามไปจ้างนายขมังธนูออกมายิงนะหรือไปจ้างนายควานช้างให้ปล่อยช้างตัวตกมันเอาให้วิ่งที่จะไปเหยียดพระองค์ให้ทิ่มแทงพระองค์ด้วยงาคู่อันยาวเหยียดเนะ ก็ไม่สำเร็จผลที่สุดตัวเองก็พยายามปิ่งหินที่มาทับพระองค์นี่หรือว่าพวกอาละกัยยักษ์ต่างๆก็คิดจะทําลายพระองค์นี่องค์ุริมานก็คิดจะทําลายพระองค์นี่แต่พระองค์ชนะหมดเลยนะชนะหมดฉะนที่นี่แหละจึงบอกว่าขนาดองค์สมเด็จพระสมาเจ้าก็ยังมีคนทําลายนางจินเจมานาวิกาก็ยังไปกล่าวใส่ร้ายว่าอาพระองค์นั้นอได้ เหมือนกับว่ามีการพบชู้สู่สาวกันขึ้นนะทําทให้นางต้องตั้งท้องนะว่าพระองค์นั้นรู้แต่เรื่องในการอภิรมสร้างความยินดีในกิเลสกันหาเท่านั้นเอแต่พระองค์ไม่เคยที่จะมาคอยคิดตกป้องที่จะรักษาคันบริหารคันที่เกิดขึ้นเลยนอหรือไม่มอบหมายให้ผู้หนึ่ผู้ใดเลยเฮ้ไปกล่าวชัดๆตอนหน้าทารกํานันเฮ้ ถ้าาว่ามาเป็นพวกพระสององค์เองของเราก็โอ้โหไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะอับอายขายหน้าเขามากแต่พระพุทธ อ, องค์บอกว่าไอ้สิ่งนี้คนอื่นไม่รู้หรอกนะเรารู้กันสองคนเท่านั้นว่าจริงหรือไม่จริงนะเรารู้กันสองคนเท่านั้นพราะคนเรามันใส่ร้ายกันได้มันนินทาว่าร้ายกันได้ตัวของเรารู้นะตัวของเรารู้ฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบอกว่ามัน ม, ม, มีมีนินทาก็ต้องมีสรเสร นะ ม, มีนิทาก็ต้องมีสัมเสริญถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็สบายใจว่าขนาดบางครั้งพรนะพุทธรูปท่านอยู่เฉยเฉยนั่งอยู่เฉยเฉยไม่มีชีวิตจิตใจเราก็ยังไปติฉิน น, นิทานี่ฉะนั้นจึงบอกว่าคนเรานี่ยังเป็นมีกิเลสตัณหาแล้วก็ต้องมีอย่างนี้แน่นอนนะเขาจึงบอกว่าช่างโกงมะพึ่งช่างชักช่างสลัดพึ่งช่างเขียนช่างติช่างเตียนไม่ต้องพึ่งใครนะเดี๋ยวนี้คนเรารู้สึกว่า ไอ้ปากนั่นชอบนอกจากจะเอาไว้กินเอาไว้พูดแล้วก็เอาไว้นินทาคนเป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งนะเอาไว้นินทาคนเป็นงานอดิเรกไอ้เรื่องปากนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคนเราไม่ได้ใช้ปากให้เป็นประโยชน์มีปากแล้วไม่ใช้ปากให้เป็นประโยชน์กินให้เป็นทุกวันนี้เรากินก็ไม่เป็นเราจึงเป็นโรคเป็นภัยมากกินไม่เป็นจนกระทั่งกินดินกินยินกินปวดกินตายกินบ้านกินเมืองที่เรเรียกว่าคอร์รัปชันนะอันนี้กินเข้าไปแล้วก็ ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษนะตัวตายนะตัวตายตายจากคนงามความดีบ้างตัวตายบ้างแล้วก็เราใช้ปากพูดไม่เป็นนะือพูดในทางติดชิ้นนินทาลูกเดียวเนะื้อพูดว่าร้ายลูกเดียวนะและคนเรานี่ยยังว่าปากต่อปากนะเข้าปากนี้ทะลุปากโนนเข้าปากโนนทะลุปากนี้ไม่มีความจริงนะไม่มีความจริงฉะนั้นจึงบอกว่าไอ้เรื่องนินทาสังเสรดจะมีคนเงานี่แหม ร้ายกาดมากนะถ้าว่าเราหลงไหลแนะ่นอนที่สุดเราไปหลงไปติดก็จะทำให้เราเกิดทุกข์เกิดโทษมากนะคนโบราณจึงบอกว่าปากายาวไม่เท่าปากคนนะปากายาวไม่เท่าปากคนนะปากาย์นี่เราจะเขียนบรรยายแต่งนิยายเนี่ยเป็นสักสิบเล่มยี่สิบเล่มก็ไดนะ้นิยายมาเพิ่มเนี่เขาบอกว่าเอานังตัวหนังสือมาเรียงกันแล้วได้เป็นสิบสิบกิโลเมตร ยาวมากเยาวมากแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับปากคนแม้ว่าปากกานนั้เราอาจจะเขียนจดหมายส่งไปเสนีห์ไปถึงเประเทศนู้นประเทศนี้ได้แต่มันก็สู้ปากคนไม่ได้ปากคนนั่นไวกว่านั่นจะต้องมานั่งเขียนจดๆแต่ว่าเรานี่นั่งพูดจรวดแน่นอนที่สุดและคนพูดนี่พอพูดต่อๆไปมันก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่ด้วย อันนี้ก็มีเรื่องที่จะยกให้ฟังเขาบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะวันหนึ่งสามีก็เลยไปนั่งอที่ไปนั่งซ่วมของประธานโทษพูดคําภาษาชาวบ้านสมัยก่อนนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่เคยเรียกซ่วมตามทนบทเขาเรียกว่าเวทนะเวทนี่ก็คือว่าบางทีก็ขุดเป็นหลุมเข้าเอาไม้ไปพาดเข้าอาไปอยู่ตามขอบขอบรั้วนะอยู่ตามขอบขอบรั้วนะ แต่ปรากฏว่าในบ้านนี้ก็เลยใช้เป็นไม้ไผนะ่นเอาไปพาดเข่าสองอันสีอันห้าอันอะไรก็แล้วแต่ก็ปรากฏว่าอนกกระจอกมันก็ไปทํอาอรังอยู่ในโพรงไม้ไผ่นะปรากฏว่าพอเจ้าค น, นี้ไปนั่งกดเลงเต็มที่เลยนะเพอนกกระจอกมันก็ตกใจมันก็บินออกจากรังไปพึทออกไปเลยแกก็ตกใจว่าเอา๊ะ อ, อนกนี่มันออกจากก้นเราไปเนี่ยนะ ออกจากก้นออกจากโตูดของเราไปแล้วเอมันเป็นเรื่องแปลกเรียกลับมาบอกภรรยาบอกนี่คุณเกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณจะต้องพูดกับใครไม่ได้นะใครรู้แล้วก็เป็นเรื่องอับอายขายขี้หน้าเขาที่สุดเลยภรรยาถามบอกอะไรก็จะอะไรแล้วเมื่อกี้ฉันไปนั่งที่เวทนะปรากฏว่าพอเบงเพลิดแค่นั้นนนกกระจอกพรึดออกจากโตูดไปเลยนี่ปรากฏว่าสามีมาเล่าให้ภรรยาฟังว่านกกระจอกมันออกจากโตูดไปตัวเดียว ภรรยาพอห่างสามีหน่อยเดียวแค่นั้นเละพอสามีรับตาหน่อยเดียวกวักเพื่อนบ้านมาแล้วบอกมานี่มานี่มานีเ่เพื่อนบ้านบอกอะไรบอกว่าเองอย่าบอกใครไปนะสามีคำชับแล้วก็ชับอีกเลยว่าอย่าพูดไปถ้าพูดไปไม่ได้ขายขี้หน้าถ้าสามีชันรู้แล้วก็ตายเลยบอกเ อ, อ้ไม่เป็นไรไม่พูดหรอกบอกอะไรล่ะก็บอกว่า เมื่อครู่นี้สามีของฉันไปนั่งซ่วมหรือว่าไปนั่งทีเวทนั้นก็ปรากฏว่าอพอแบ่งไปเพูดนกกระเจอกก็ออกไปพุดๆๆกันเลยนี่จากไอ้สามีบอกว่านกกระจอกตัวเดียวแต่ว่าภรรยาไปบอกทั้งสามตัวสามตัวแล้วก็กําชับเพื่อนตัวนี้นะบออย่าไปบอกใครนะอย่าไปเล่านะอับอายใครหน้าเขาเอปรากฏว่าเพื่อนบ้านเคนนั้นพอห่างจากอ่าภรรยาห่างจากภรรยาแค่นั้นแหละเอาอีกแล้วสิ ก็ไปกวักมือเรียกให้อคนอื่นนั้นมาบอกว่าอมาด้มาดอมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็ถามบอกว่าเรื่องอะไรก็บอกว่าเมื่อกี้ภรรยาของไอ้คนนั้นเล่าให้ฟังว่าสามีนั้นได้ไปนั่งซ่วมเลยจากกฏเขาเบ่งเพื่อแต่ตุกก็จอกออกเป็นฝูงเลยนี่จากไอ้ที่สามีบอกว่าออกตัวเดียวแต่ว่าทางนี้บอกว่าเป็นฝูงเลยนี่แหละจึงบอกว่าไอ้ปากกาเนี่ยมัน ยาวกว่าปากคนจากตัวเดียวนี่ออกเป็นฝูงที่มันก็รู้สึกว่าเกินไปนะเกินไปฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเครื่องเอชี้ให้เห็นว่าปากของคนเรานี่มันร้ายเหลือเกินเลร้ายมากเลยปากชาวบ้านปากตลาดนี่ฉะนั้นคนเราจึงไม่มีฉายาต่งางๆนานาคันว่าเอปากฟ้อมอ่ำบ้างนะปากเบี้ยวปากแหว่งปากตะกร้าปากตะแกนอะไรมนุษ็สารพัดเลยสารพัดนี่แหละฉะนั้นก็ ขอให้เราทุกคนจงใช้ปากให้เป็นการใช้ปากให้เป็นก็คือว่าพูดให้เป็นกินให้เป็นเออถ้าพูดให้เป็นกินให้เป็นแล้วก็ไม่เป็นทุกเออแต่ถ้าพูดไม่เป็นกินไม่เป็นแล้วก็มันเป็นทุกแก่ตัวเองเป็นทุกแก่ครอบครัวเป็นทุกแก่สังคมประเทศชาตินะฉะนั้นอเราทุกคนก็ให้รู้อยู่เสมอว่าเมื่อมี สันเสริญก็ต้องมีนินทาเมื่อมีนินทาก็ต้องมีสันเสริญควบคู่กันไปสําหรับคนทุกคนฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์นี้ประสบกับตัวเราเราก็ต้องวางเฉยนะวางเฉยอย่าไปทําใจให้วันไหวไปกับสิ่งเหล่านี้ใครสันเสริญเราเราก็อย่าไปเหลื่งใจเราอย่าไปหลงมีใจใครนินทาเราเราก็อย่าไปาตกอกตกใจเราก็อย่าไปเสียใจโดยพิจารณาว่านี่มันเป็นโลกธรรมมันเป็น อธรรมดาของโลกต้องมีอย่างนี้เมื่อมีคนชมก็ต้องมีคนติมีคนติก็ต้องมีคนชมนะทําอะไรไม่มีคนติไม่มีคนชมเลยเห็นจะไม่มีอันนี้มันมีขึ้นกับคนทุกๆคนนะต้องประสบนะต้องเจอนะต้องเจอเป็นแน่แต่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเอ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วในข้อสุดท้ายที่บอกว่ามีสุขก็ต้องมีทุกขอนี่ก็บอกไปแล้วในตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นของคู่กันอ่เป็นของคู่กัน ไม่มีหรอกในชีวิตของคนเราทุกคนมีแต่สุขจนกระทั่งเกิดจนตายแล้วก็ไม่มีใครในชีวิตทุกตั้งแต่เกิดจนตายต้องมีสุขมีทุกข์เ้าแคร์กันไปเออเค้าคร์กันไปตราบใดที่เราประกอบคุณงามความดีแน่นอนที่สุดในยามนั้นเราก็สุขก็สุขมากตราบใดที่เราเประกอบแต่ความชั่วความเดือดร้อนในยามนั้นเราก็เกิดความทุกข์มาก เกิดความทุกข์มากและยิ่งไปกว่านั้นไอ้สุขทุกข์ที่มันก็อาจจะเกิดโดยธรรมชาติอีกหลายๆอย่า ง, างเช่นเกิดภาวะาน้ำท่วมนี่เราก็รู้สึกเป็นทุกข์นะรู้สึกเป็นทุกข์มันเดือดร้อนอันนี้มันก็ธรรมดาเพราะมันเกิดจากธรรมชาติแต่ว่าเราก็ทําใจได้ว่านี่มันเป็นธรรมดามันก็หายทุกข์เกิดอัคีภยัยเกิดเพราะความประมาทเกไฟไหม้นี่มันก็ทุกข์นะทำให้เราต้องหมดเนื้อหมดตัวหรืออาจจะมีการล้มหายตายจากเกิดจากาไฟไหม้ก็ได้นะ อันนี้มันก็เป็นธรรมดาอ่เป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้เราไม่ปรารถนาไอ้ทุกข์นี่เราไม่ปรารถนาเราทุกคนปรารถนาแต่ความสุขแต่ว่าจะให้ความสุขมันเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดไปนั้นมันก็ยากอ่มันก็ยากแต่ว่าถ้าหากว่าเราทุกคนปรารถนาให้ความสุขเกิดกับเรามากเราก็ต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีให้มากนะทากิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอย่าให้ขาดตกบกพร่องอ่ข้อนี้สําคัญคือให้เราเป็นคน จริงต่อหน้าที่การงานนะจริงต่อเวลานะจริงต่อวาจาจริงต่อบุคคลนะแล้วก็จริงต่อความดีหากว่าเราเป็นคนมีความจริงใจต่อกิจที่ทําคําที่พูดแน่นอนที่สุดเราจะมีความสุขมากนะเราจะมีความสุขมากแต่ถ้าเราไม่จริงใจต่อหน้าที่การงานเรามีหน้าที่อะไรเราต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นสามีภรรยา หน้าที่ของความเป็นครูอาจารย์หน้าที่ของความเป็นพระสองฆ์องค์เลนเราก็ปฏิบัติหน้าที่อ น, นันต์ให้สมบูรณ์นะอย่าให้ขาดตกบกพร่องหรือถึงแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องมันก็ให้เป็นเหลือว่ามันสุดเหตุสุดวิสัยอันนี้มันก็จะทําให้เราต้อมีความสุขมากแต่ถ้าหากว่าเราประมาทตัวเมาในการดําเนินชีวิตเพื่อเพลินกับอบายามุขหลงอบายามุขติดอบายามุขเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายเป็นนักเลงเดืองสุร า, ราเป็นนักเลงเดืองสุราเป็นนักเลงการพนันหรือว่าคบคนทั่วเป็นมิจเจตค้าน อย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความทุกข์มากเราก็จะมีแต่ความเดือดร้อนมากไม่ใช่ทุกความเดือดร้อนแต่เพียงตัวเราคนเดียวรครอบครัวของเราก็เป็นทุกภรรยาเราก็เป็นทุกโรคหลานของเราก็เป็นทุกอญาติพี่น้องของเราก็เป็นทุกพลอยเป็นทุกไปด้วยเพราะถือว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเป็นสายเลือดหนึ่งในชีวิตของเขาหรือเป็นเกี่ยวดองกันในชีวิตของเขา <ค editorial. S 2> มันก็พลอยเป็นทุกไปด้วยหรือเรามีนามสกุลอย่างนี้คนที่ใช้นามสกุลเดียวกับเราก็พลอยเป็นทุกไปด้วยฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่า ไอ้ทุกข์กับสุขเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเรานั้นขอให้เราทุกคนนั้นอจงประพฤติอโลกธรรมด้วยความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงนะการรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงก็คือข้อสําคัญก็คือว่าอย่าไปหลงอย่าไปติดนะอย่าหลงออย่าเหลงิงนะอย่าหลงอย่นะาเหลิงมเลาะเพราะทั้งสองอย่างดีมันคู่กันนะเมื่อแยกแล้วมันมีสองอย่างนะมีลาบมียศ มีสันเสริญมีสุขอันนี้เป็นในฝ่ายดีอเป็นในฝ่ายอิทธาดมอทุกคนชอบชอบมีลาบชอบมียศชอบมีสันเสรชอบมีสุขนี่คั้งๆที่เราชอบนี่แหละมันก็มีโอกาสที่จะจะหายจากเราไปได้อหายจากเราไปได้นะเราอยากมีอาหารการกินที่ดีมีเครื่องใช้ไม้ส้อยที่ดีอยากมีบ้านมีรถขี่ อยากมีที่นาที่ไร่อยากมีที่สวนอยากมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์อยากมีเครื่องแต่งกายเครื่องบรรดับที่สวยงามนี่ถือว่าเป็นงละอันนี้เราอยากมีด้วยกันทุกคนอยอดเหมือนกันทุกคนอยากมียศดคำว่ายศนี่มันมีหลายอย่างหนึ่งอิสะระยอศคือยอดความเป็นใหญ่นะเช่นว่าติดยศตามขัน้นโน้นขั้นนี้เป็นกระการชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะเป็นในร้อยเป็นในพันเป็นในพน อ่าเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดีอะไรเนี่ยอันนี้มันก็เป็นยศ <encima> เป็นตำแหน่งที่เราทุกคนปรารถนาที่นี้มี อ, อย่างหนึ่งก็คือบริวารยศยศคือเพื่อนฝูงบริวารบางคนก็คนส่วนมากก็อยากมีบริวารมากอยากมีเพื่อนฝูง ม, มากนะอ่าเป็นอย่างนั้นอ่านี่เป็นฝ่ายในเรื่องยศมาในเรื่องสันเสริมเหมือนกัน coup, ทุกคนอยากให้คนสัเนเสริมอยากให้คนชมอยากให้คนยกยอกอบปัน้นว่าเรานี่เก่งเรานี่แน่แน่เป็นอย่างนั้น อชมให้เราว่าสวยเราหรือว่าอเราเป็นคนดีนี่อยากให้เขาชมอย่างนั้นอ่าไม่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราอยากมีสุขนะเราอยากมีความสุขกายสบายใจอ่ากินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างเนี่เราอยากทางนั้นแต่สิ่งที่เราว่านี้มันก็ไม่คงทนถาวรนะมันกลับกลอกได้นะมันกลับกลอกได้อ่าเมื่อมีลาบอ่ามันก็ไม่มีราบได้ แต่โดยมากรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ตามที่เราปรารถนาเราอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งแหม่รู้สึกมันยากเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจัดสรรหลังๆ ห, หนึ่งก็โอ้โหสามแสนนิดแคบจะไม่มีอะไรนะมันต้องอย่าง น, น้อยก็ต้องเป็นล้านว่ากันเถอะต้องเป็นล้านมีบ้านแล้วก็อยากเ อ, อจะมีเครื่องโฟอนิเจอร์เครื่องประดับในบ้านอยากจะมีสวนยอมอะไรอย่างเนี้ได้สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ได้นะฉะนั้นมันฝืนความปรารถนาเราอยู่ตลอดเวลาเนี ฝืนความปรารถนาเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงบอกว่ า, เ, าเรานี้ไม่ได้ลาบตามที่เราปรารถนานะยกเหมือนกันทุกคนอยากมียศ อ, อยากมีตําแหน่งอยากมีหน้าที่การงานแต่มันก็ไม่ค่อยได้อย่างนั้นนะเออไม่ค่อยได้อย่างนั้นอา้าวเราอยากมีคนสรรเสริญตลอดเวลามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราบางครั้งแทบจะหมดกําลังใจทํำอะไรมีแต่คนติดขี้นิ น, นทาไปหมดเลยแมนะ่รู้สึกไม่สบายใจว่าเราทําดีแล้วไม่ได้ดีทําชั่วกับได้ดีอา่อาทั้งเรา ทำไมมันมีทุกข์มากเหลือเกินมันไม่มีสุขเหมือนกับเขาเลยนะที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีขึ้นกับทุกๆคนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครได้ดีโดยส่วนเดียวไม่มีใครชั่วโดยส่วนเดียวฉะนั้นเกี่ยวกับโลกธรรมนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ขอทุกคนว่าอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นมั น, มนก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจเอาละเกี่ยวกับบรรยายโลกธรรมแปดมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร